พระพุทธเจ้าได้ทรงตริสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ย่งยืนที่ถาวรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ได้ส่งคนพบได้ครองไว้เป็นสัมบัติประจำพระองค์ไม่มีใคร ที่จะพรากจากพระองค์ไปได้แล้วก็เป็นความสุขที่ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปผู้ที่มีความสามารถมีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการนำเอาความสุขที่เลิศที่วิเศษนี้มาเผยแผ่มาแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นต่อไป พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งทางใจของสัตว์โลกมาตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเอง จะได้เสด็จดับขันธ์ปรนิพันธ์จากโลกนี้ไปแล้วเป็นเวลาอันยาวนานแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนี้ก็ยังมีอยู่คู่กับโลกไปไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอยู่ที่สัตว์โลกจะมีศรัทธาความเชื่อ จะมีวิริยะความอุตสาหะที่จะภาคเพียนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนได้หรือไม่เท่านั้นถ้าตราบใดยังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ปราศจากพระอาหารหันต์นี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า ะอรหันนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ผู้มีศรัทธาความเชื่อในความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้น้อมเอามาปฏิบัติถ้าปฏิบัติ ด, ด้วยความอุตสาหะวิริยะ ิบัติด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลย่อมเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนหรือในสมัยนี้ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระอาหารหันต์ที่ยังมีการสั่งสอนอบรมเผยแผ่ความจริงอันนี้อยู่อยู่ที่ผู้ฟังผู้ศึกษาว่าจะมีศรัทธามากน้อยเพียงไรแล้วจะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มาปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นผลนั้นเกิดจากเหตุคือการกระทาการกระทาก็คือการสร้างความสงบสุขให้แก่ใจที่จำเป็นที่จะต้องสร้างจากฐานรากขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่สร้าง อาคารบ้านเรือนจำเป็นต้องสร้างจากฐานล่ากขึ้นมาชันใดการปฏิบัติเพื่อนำความสงบสุขมาให้แก่ใจก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติจากฐานขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นล่างของการปฏิบัติก็ได้แก่การให้ทาน กานเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุขที่มีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ให้นำเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ลำบากยากจนเดือดร้อน เป็นการสร้างความสงบให้แก่ผู้ให้และสร้างความสงบความสุขให้แก่ผู้รับนี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ใจของผู้ปฏิบัติใจต้อง ไม่โลภไม่อยากได้ข้าวของเงินทองมากเกินความจำเป็นเพราะจะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบใจควรที่จะมีความมักน้อยสันโดษอยู่กับสิ่งที่จำเป็นที่จะที่จะต้องมี เพื่อไว้ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายและมีไว้ใช้ในการสร้างความสงบสุขให้แก่ใจถ้ามีมากพอแล้วก็ควรที่จะหยุดหาได้แล้วเพราะว่าได้มากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขมากไปกว่านี้แต่อย่างใด มีแต่จะทำให้ไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะการที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จำเป็นจะต้องมีเวลามาสร้างกันถ้ามัวแต่ไปสร้างทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสงบสุขทางใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายดังนั้นถ้ามีเงินทองพอที่จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายและมีเหลือไว้สำหรับใช้ในการสร้างความสงบสุขก็ควรที่จะยุติหาเงินหาทอง หรือใช้เงินใช้ทองเพื่อหาความสุขที่เป็นความสุขปลอมคือความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับความสุขแบบนี้เพราะเป็นความสุขเดียวๆแล้วก็ ปล่อยให้เกิดความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหิวโหวยตามมาไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือเรื่องของการสร้างความสงบในเบื้องต้นให้แก่ใจก็คือยุติการหา ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่เพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติสร้างความสุขทางใจที่สูงขึ้นไปต่อไปประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มี สิ่งที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้มีกันก็คือมีพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะให้ผู้ที่ต้องการหาความสงบสุขได้มีสถานที่ได้มีโอกาสได้สร้างกันเพราะมีวัดวาอาราม ที่จะเป็นที่พักอาศัยที่จะได้สร้างความสงบสุขด้วยการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆไม่มีประเทศไหนที่จะมีมากเท่ากับประเทศไทยและสมบูรณ์เท่ากับประเทศไทยเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัท ธ, ธาที่พร้อมจะสนับส น, นุนผู้ที่แสวงหา ความสงบสุขทางใจถ้ามีศรัทธาแล้วอยากจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบสุขทางใจนี้ก็สามารถทำได้อย่างงไไ่ายดายออกบวดได้เลยมีที่อยู่ที่ปฏิบัติทมเต็มไปหมด แม้แต่ชาวต่างประเทศเองที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ใช้สถานที่ในประเทศไทยนี้บำเพ็ญทำเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ใจนี่แคือสิ่งที่วิเศษที่ เรามีกันแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่ากันเรากลับไปเห็นการไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆกลับไปเห็นว่าประเทศต่างๆนี้มีหน้าหน้าที่หน้าที่จะไปกันเป็นสถานที่ที่จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกันแต่เป็นความสุขปลอม ที่หลังจากได้ไปสัมผัสแล้วความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราไปบวชไปอยู่ตามวัดต่างๆนั้นเป็นความสุขที่จะติดอยู่กับใจของเราและเราสามารถรักษา ให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรความสงบสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับแรกนี้เราเรียกว่าเป็นความสงบสุขชั่วคราวและระดับที่สองเป็นความสงบสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อม สงบขั้นต้นนี้คือการสงบที่เกิดจากการใช้สติควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งเวลาจิตระ ง, งับจากความคิดปรุงแต่งจิตก็จะเข้าสู่ความสงบแต่เวลาถอนออกมาแล้วปล่อยให้ความคิดปรุงแต่ง ทำงานความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะเสื่อมหายไปได้ถ้าไม่เจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่อไปความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ยังเสื่อมได้เป็นความสงบที่ยังเสื่อมได้ถ้าอยากจะให้ความสงบที่ได้จากการเจริญสตินี้อยู่ต่อไปอย่างถาวร<ม><ม>ก็จำเป็นจะต้องใช้ปัญญามาเป็นผู้รักษาให้เป็นความสงบ สุขที่ทาวรเพราะปัญญานี้จะมีความสามารถในการไปทําลายเหตุที่จะมาทําลายความสงบสุขเหตุที่จะทําลายความสงบสุขก็คือโมหะาอาวิชชาตันหานี่เองโมหะอาวิชชาก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นสุขเป็นท es ุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสุขปร้อมว่าเป็นสุขแท้เห็นสุขแท้ว่าเป็นความทุกข์ดึงต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นตามความเป็นจริงว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะที่เกิดจากความอยากนี้ เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความหิวมีความอยากมีความทุกข์ตามมาถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยเวลาเกิดความอยากจะเสกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้ระ ง, งับไม่เสกได้ พอระงับไม่เสกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความสงบก็จะกลับคืนมาแล้วก็จะกลับคืนมาอย่างถาวรเพราะว่าจะไม่มีความอยากมาทำลายความสงบสุขได้อีกต่อไปถ้ามีปัญญานี่คือความ สงบที่ถาวรต้องสงบด้วยปัญญาความสงบนี้ก็มีหลายขั้นด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้สี่ขั้นคือความสุขทางปัญญานี้มีอยู่สี่ขั้นทรงเรียกว่ามรรคผลนิพพานขั้นแรกก็เรียกว่าขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าขั้นสกิดาฆามี ขั้นที่สามก็เรียกว่าอน า, าคามีขั้นที่สี่ก็เรียกว่าอารหันต์และนิพพานนี่คือความสงบที่เป็นที่เป็นขั้นๆพอได้ขั้นไหนแล้วก็จะไม่เสื่อมจากขั้นนั้นไปเช่นพอได้ความสงบของขั้นของพระโสดาบันแล้วใจก็จะไม่เสื่อม ลงไปต่ำกว่าขั้นโสดาบันพอได้ขั้นสกิทาคามีก็จะไม่เสื่อมลงไปจากขั้นสกิทาคามีได้ขั้นอนาคามีก็จะไม่เสื่อมได้ขั้นอารหันต์ก็จะไม่เสื่อมได้ขั้นอารหันต์ก็จะได้นิพพานได้ความสงบที่เต็มเต็มที่เรียกว่านิพพาน นี่คือความสงบที่จะเกิดขึ้นถ้าใช้ปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ลูมหลงไม่ให้อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้จําไว้คำเดียวว่านัตสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขใดๆในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ท่องกาถานี้ไว้นัติสันติกลังสุ ข, ขังสุขที่ได้จากตาทางตาหูจมูกลิ้นกายสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าจําได้ไม่หลงไม่ลืมก็จะสามารถที่จะ รักษาความสงบที่ได้ในเบื้องต้นจากการใช้สติควบคุมความคิดปุ่มแต่งก่อนที่จะใช้ปัญญาได้จึงต้องใช้สติควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเพราะว่าปัญญาก็ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือถ้าสติไม่สามารถควบคุม ความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้ก็จะไม่สามารถสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันได้เช่นให้เตือนใจว่านัติสันติพลังสุขขังเพราะเวลาเกิดความหลงเกิดความอยากนี้จะลืมคำนี้ไปเลยเวลาอยากจะดื่มกาแฟนี้ลืมไปเลยนัตติสันติพลังสุขขังเวลาอยากจะกินขนมนมเนย ลืมไปหมดเลยนีเพราะว่าไม่มีสติที่จะคอยควบคุมความคิดให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่านัตถิสันติพลังสุขขังยัต้องหัดพยายามท่องคำนี้ไว้บ่อยๆไม่ให้ลืมเพราะว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจานั่นเองไม่เที่ยงชั่วกราว เป็นเหมือนควันไฟควันไฟเห็นไหมมันมันลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดนั่นแ่ะคือความสุขที่ได้รับจากการเสพสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนจะเตือนใจได้ก็ต้องพบความสุขแบบนี้ก่อน ก็คือต้องทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบชั่วคราวก็เป็นความสุขที่จะเป็นหนังตัวอย่างเป็นเหมือนสินค้าตัวอย่างเหมือนบ้านตัวอย่างเวลาเราจะไปซื้อบ้านนี้เขาต้องสร้างบ้านตัวอย่างให้เราดูก่อนพอเราเห็นบ้านตัวอย่างว่าสวยอย่างนั้นน่าอยู่อย่างนี้ ก็จะมีศรัทธาที่จะพักกระเป๋าจ่ายเงินฉนันใดเราก็ต้องพบกับความสุขตัวอย่างก่อนความสุขตัวอย่างก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนสามารถระ ง, งับความคิดปรุงแต่งได้ทำให้จิตดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ พอจิตเข้าสู่จุดนั้นแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ่อเนี่ยบ้านตัวอย่างเป็นอย่างนี้เองหนังตัวอย่างเป็นอย่างนี้เองสินค้าตัวอย่างที่พระพุทธเจ้านำเอามาขายนี้เป็นอย่างนี้เองที่ท่านบอกว่านัตติสันติบาลังสุขขังเป็นอย่างนี้เองต้องเห็นสินค้าก่อนต้องเห็นหนังตัวอย่างก่อนต้องเห็นบ้านตัวอย่างก่อน แล้วเราจะยินดีฟักกระเป๋าฟักเงินมาจ่ายเงินของเราก็คืออะไรก็ อ, ออกบุญเรามีเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดเก็บไว้เท่าที่จาเป็นเก็บไว้ก็อย่าให้มันมารบกวนเก็บไว้เพื่อสนับสนุนไม่ใช่เก็บไว้เพื่อมาขัดมาขวางการปฏิบัติของเรา ไปเก็บไว้เพื่อสนับสนุนเพราะเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันในกรณีที่เราไม่ได้เป็นพระถ้าเราเป็นแม่ชีรหรือเป็นอุบาสิกานี้อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนที่พอเพียงเราอาจจะต้องสนับสนุนตัวเราด้วยส่วนหนึ่งก็ควรจะมีไว้แต่อย่าไป กังวลกับมันอย่าทำให้มันกลายเป็นอุปสรรคขวางการปฏิบัติของเราให้มันมีไว้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติของเราก็มีได้นี่คือความสงบที่ไม่ถาวรก็คือความสงบของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาจึงจำเป็นต้องจจริญสติต่อ ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นอย่างพิจารณาไม่เป็นยังไม่รู้ว่าอานิจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรอริยสัจสี่เป็นอย่างไรก็ต้องใช้การเจริญสติต่อไปฝึกทําสมาธิให้เข้มข้นให้ชํานาญอย่างน้อยก็จะรักษาสมาธินี้ไว้ได้ด้วยสติแต่ถ้าเราได้ ได้ความสงบแบบระดับปัญญาแล้วพอได้แล้วเราไม่ต้องรักษาเหมือนมันจะไม่เสื่อมไม่ต้องเจริญพุตโตไม่ต้องพิจารณาอนิจังทุกขังอนาตตาถ้าปัญญาได้ทำลายตัณหาได้ทำลายโมหะอวิชชาที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ความสงบเสื่อมไปแล้วปัญญาก็ไม่ต้องทำงานอีกนี่คือความต่างกัน ระว่งความสงบที่ได้จากสมาธิและความสงบที่ได้จากปัญญาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ก็ยังต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาแล้วก็ยังต้องเจริญสติต่อต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งต่อถึงจะสามารถรักษาสมาธิความสงบได้ถึงสามารถกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ได้ เวลาที่ต้องการจะเข้าไปถ้าออกมาแล้วไม่ได้เจริญสติต่อคิดว่าโอ๊ยเข้าไปได้ ห, น, หนึ่งแล้วต่อไปก็เข้าไปได้อีกไม่เจริญสติปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงเวลานั่งสมาธิมันไม่สงบแล้วสิวุ่นวายใจแล้วสิเอบข่าวที่แล้วนั่งมันสงบ ทำไมข่าวนี้มันไม่สงบก็เพราะว่ามันนั่งกันคนละแบบข่าวที่แล้วนั่งด้วยสติใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องอผูกใจใช้เป็นเครื่องควบคุมความคิดผูงแต่งแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เหมือนแล้วเรามานั่งคิดถึงความสงบที่เราได้ในอดีตเท่านั้นคิดว่าพอนั่งหลับตาปับแล้วมันก็จะสงบ มันไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันไม่มีผู้ที่นำมันเข้าสู่ความสงบก็คือไม่มีสตินั่นเองพอไม่สงบแล้วก็ ย, ยิ่งเกิดความพุ่งสร้างปรุงแต่งขึ้นมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทาไมมันไม่สงบเป็นอย่างไรยิ่งอยากให้มันสงบมันยิ่งไม่สงบใหญ่นี่ถ้าไม่ไม่ใช้ปัญญามาวิเคราะห์ดูก็อาจจะ ไม่มีวันที่จะกลับเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าใช้ปัญญาก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคราวที่แล้วที่มันสงบนั้นมันสงบได้อย่างไรสงบเพราะว่าเรามีสติคุมความคิดปุุงแต่งของเราอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออยากให้มันสงบตอนที่สงบครั้งล่างนี้ไม่เคยเจอความสงบก็เลยไม่ รู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรก็เลยไม่มีความอยากจะให้มันสงบพอมันไม่รู้ว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรมันรู้เพียงแต่ว่าต้องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวต้องดูลมไปอย่างเดียวต้องควบคุมใจด้วยสติไปอย่างเดียวมันก็ทำอย่างนั้นอย่างเดียวพอทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็วุบเข้าไปดิ่งเข้าไปสู่ความสงบ เกิดความประหลาดมาหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่ามีความสุขมีของวิเศษอยู่ในตัวเราแท้ๆไม่เคยเจอไม่เคยพบมาก่อนถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เจริญสติไม่มีวันที่จะเจอความสุขอันวิเศษนี้ได้จะเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจจะเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่อุปโลกกันขึ้นมาเพื่อหลอกให้เรามาทำทำสิ่งต่างๆนี้แต่ทำแล้วมีผลจริงๆเางแต่ว่าคนที่ทำแล้วไม่ได้ผลนั้นทำไม่ถูกวิธีเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าไม่มีผลคนส่วนใหญ่นั่งสมาธิกันแล้วไม่สงบก็เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายก็บางทีก็คิดว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าเนาะพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ถูกหลอกให้มานั่งเฉยๆเพื่อจะได้กาจัดคู่แข่งขันหรือเปล่าคนที่ไม่อยากจะให้เราแข่งขันหาเงินแข่งก็แข่งกับเขาเขาก็หลอกให้เรามานั่งสมาธิกัน เ่อคนที่เขาจะาแข่งขันจะได้มีกู้แข่งขันน้อยลงไปโอกาสที่เขาจะได้ชนะก็จะมีมากขึ้นแต่นี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นการที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่จริงทั้งเหตุจริงทั้งผลขอให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติจริงทั้งเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ่างนั้นเมื่อได้สติได้สมาธิจากการเจริญสติแล้วถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นปัญญาก็ยังไม่รู้จักการพิจารณาทางปัญญาว่าเป็นอย่างไรก็ต้องพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าประมาทนอนใจถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ถ้าปล่อยสติไปเมื่อไหร่ต่อไปอาจจะ เอาสติกับมายาอย่างนั้นถ้าได้สติแล้วพยายามรักษาสติไวเหมือนกับสมบัติอันล้ำค่าอย่าปล่อยให้สติหายไปจากใจให้มีสติอยู่กับใจอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้ว ก็อยากสามารถรักษาความสงบไว้ได้ถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นความสงบที่ยังเสื่อมได้อยู่ก็ตามแต่ถ้ามีสติคอยรักษาอยู่มันก็จะไม่เสื่อมแล้วก็พยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้เรื่องของการเจริญปัญญาว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญาต้องเจริญอะไรบ้าง ในสติปฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้สี่ที่ด้วยกันที่สำหรับเจริญปัญญาคือหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเป็นที่สร้างปัญญาเป็นที่ผลิตปัญญาขึ้นมาถ้าอยากจะได้ปัญญาในขั้นต้น คือขั้นของพระโสดาบันก็ต้องพิจารณาร่างกายกับเวทนาร่างกายก็คือต้องศึกษาให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันแน่เป็นตัวเราของเราหรือเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ทาวรหรือเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีการเจริญแล้วมีการเสื่อม เกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายความเจ็บนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ก็คือเวทนาที่เกิดจากทางร่างกายเวลาร่างกายได้สัมผัสกับ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ถูกใจที่ที่ไม่สะเทืนใจไม่ไ ม, ไม่ไม่สะเทือนร่างกายก็เกิดความสุขขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความทุกเวทนาที่ได้สัมผัสกับอากาศร้อนพอได้ไปสัมผัสกับอากาศเย็นก็เกิดสุ ข, ขเวทนาแทนขึ้นมา ถ้าอยู่ได้ถ้าสัมผัสอากาศที่ไม่ร้อนไม่เย็นก็ได้สัมผัสกับไม่สุขไม่ทุกเขเวทนานี่คือเวทนาที่จะต้องพิจารณาจะต้องศึกษาให้เห็นว่าเขาไม่เที่ยงไม่สุขตลอดเวลาไม่ทุกขตลอดเวลามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สุขไม่ทุกตลอดเวลา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยที่มาสัมผัสผ่านทางร่างกายเช่นร่างกายเวลาหิวขาดน้ําขาดอาหารก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดทุกขเวทนานี้จะปฏิบัติกับเขาอย่างไรจะสั่งให้เขาหายไปทันทีทันใดได้หรือเปล่า บางอย่างก็พอที่จะทำให้หายได้อย่างรวดเร็วเช่นกระหายน้ำก็ดื่มน้ำพอดื่มน้ำทุกเวทนาที่เกิดจากความกระหายน้ำก็จะหายไปหิวข้าวถ้ารับประทานข้าวเข้าไปก็หายแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่หายทันทีทันใดเราจะทำอย่างไร จะปฏิบัติกับเวทนาอย่างไรถึงจะไม่มาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิก็กคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าถ้าไปอยากให้ความทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้หายไปใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาใจจะกระเพิ่มใจจะกะวลกวาระสักริ์กยใจจะเครียด ที่เครียดนี้ไม่ได้เครียดจากทุกขเวทนาทางร่างกายแต่เครียดเพราะเกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปในท่าใช้ปัญญาก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรกําลังมาทําลายความสงบที่ได้จากสมาธิแล้วก็ต้องทําลายตัวนั้นตัวนั้นก็คือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป ก็ต้องพิจารณาดูว่าทุกขเวทนานี้เราทำให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าเราทำให้มันหายไม่ได้ก็ต้องยอมอยู่กับมันไปถ้าเรายอมอยู่กับมันมันก็อยู่กันได้ไม่เห็นจะหนักหนาสาหัสอะไรร่างกายมันรับได้ใจไม่ได้เป็นผู้ทุกขซะหน่อยใจไม่ได้เป็นผู้สัมผัสกับทุกขเวทนาซะหน่อย ผู้ใชที่สัมผัสกับทุกขเวทนาโดยตรงก็คือร่างกายนี้เองแต่ใจกลับไปวุ่นวายแทนร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เห็นวุ่นวายด้วยเลยร่างกายาก็เฉยกระดูกจะเจ็บจะปวดตรงไหนเขาก็ไม่ได้มาบ่นว่าบอเจ็บลากเกินปวดลากเกินทนไม่ไหวแล้วผู้ที่บ่นว่านี่คือใครก็คือใจใจที่มีความคิดตรุงแต่ง ที่ไม่ชอบเกิดจากความไม่ชอบพอไม่ชอบอะไรก็อยากจะให้มันหายไปพอทำให้มันหายไม่ได้ก็เครียดเพราะไม่อยากจะอยู่กับมันบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะอยู่กับทุกขเวทนาแบบนี้แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปทำลายตัวเครียดตัวที่สร้างความเครียด เพราะตัวที่สร้างความเครียดนี้มันอยู่ในใจก็คือความอยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปพอข่าวหน้าไปเกิดใหม่ไปเจอทุกขเวทนาใหม่ก็เครียดขึ้นมาใหม่จึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกจุดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนิจจังเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เขามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขมีทั้งไม่ทุกข์เขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาสุขอย่างเดียวไม่ได้เมื่อเขาปรากฏขึ้นมาถ้าเราไปเกิดความอยากอยากอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้เกิดความเครียดก็อย่าไปอยากเท่านั้นเองรับรู้เฉยๆสักแต่ว่าเระ รู้ว่าตอนนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าตอนนี้สุ ข, ขเวทนาเกิดขึ้นเวลาเกิดสุ ข, ขเวทนาก็อย่าไปอยากให้สุขไปนา น, านเวลาเกิดทุกขเวทนาก็อย่าไปอยากให้มันดับไปหายไปทันทีทันใดมันถึงเวลามันหายไปของมันเองขอให้เราทำใจรักษาความสงบด้วยสติด้วยปัญญาไว้ต่อไป พุโทโธพุโทโธต่อไปก็ได้ถ้ามันยังกษสับกระายอยู่ยังไม่ปล่อยก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปแต่ให้รู้ว่าการไปแก้ด้วยการทำให้อยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปไม่ได้เป็นการแก้แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งยังต้องพยายามรักษาใจให้ศักแต่ว่ารู้ไว้ประครับประคองด้วยสติด้วยปัญญาไปแล้ว พอใจเข้าใจเห็นโทษของความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปใจก็จะหยุดอยากเองพอหยุดอยากปั๊บนี้ใจจะรู้สึกเบาเหมือนกับตอนที่เครียดนี่เหมือนกับตอนที่อยู่ในนรกพอใจหยุดอยากเท่านั้นเหมือนกับออกจากนารกบินขึ้นสู่สวรรค์เลยใจสบายเย็นสงบมีความสุข อันนี้ะถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ต่อไปจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากจะไม่ผลิตความอยากขึ้นมาเห็นโทษความอยากอย่างชัดเจนไม่สงสัยเลยว่าทุกทางใจนี้เกิดจากอะไรนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่เราจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นก็ต้องเอาร่างกายเป็น เหนรัมีสติปัญญาระดับสามระดับด้วยกันระดับขั้นโสดาบันระดับขั้นสกิดากามีระดับขั้นอนาคามีนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเห็นรับสติปัญญาต้องเห็นร่างกายว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายต้องเห็น ว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะสามารถทำลายตันหาที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติพอได้ทำลายนันหาสามระดับนี้แล้วจิตก็จะสงบอย่างทาวในในระดับในระดับทั้งสามระดับนี้ ระดับโสดาระดับสกิดาคามีระดับอนาคามีหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องร่างกายอีกต่อไปเพราะใจมีปัญญารู้ทันความจริงของร่างกายแล้วรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วรู้ว่าร่างกายของใครก็ตามเป็นอสุภทั้งนั้น เป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของเขาของหญิงหรือของชายเป็นอสุภะทั้งนั้นถ้ามองในส่วนที่เป็นอสุภะก็จะเห็นว่าเป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามพอเห็นหมดนี้แล้วสามารถกำจัดตัณหาที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาร่างกายอีกต่อไปก็ต้องเลื่อนระดับขึ้นไปสู่พิจารณา จิตและธรรมต่อไปนั่นคือขั้นของอรหันตมักขั้นที่จะทำให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ได้บรรลุถึงพระนิพพานต้องเข้าไปสู่ขั้นจิตต้องรู้จากธรรมชาติของจิตที่ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่มีผ่องใสมีเศร้าหมองมีเจริญมีเสื่อม ต้องเข้าใจแล้วพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วอย่าไปเกิดตันหาความอยากให้จิตผ่องใสไปตลอดแล้วอย่าไปอยากให้เกิดความไม่อยากให้จิตเศร้าหมองไปต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตในขณะนั้นยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะอาวิชชาผู้คอยปั่นให้จิต ผ่องใสหรือเศร้าหมองพอปัญญาเห็นเข้าใจก็สอนใจให้ปล่อยวา่าให้รับรู้เฉยๆจิตก็จะไม่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงคือจิตจ ะ, จะเจริญก็จิตจะผ่องใสก็ปล่อยมันผ่องใสไปจิตจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมเศร้าหมองก็ปล่อยมันเศร้าหมองไป พอปล่อยมาแล้วมันไม่มีอิทธิพลที่จะมาคอยปรุงแต่งให้มันเศร้าหมองหรือผ่องใสเดี๋ยวความเศร้าหมองและผ่องใสมันก็จะหายไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่ความว่างที่เป็นความว่างที่บริสุทธิ์มันก็เกิดจากการมีปัญญารู้ทันกินี่เองหรือว่าจิตนี้ก็ยังเป็นไตรลัก เป็นอนีจจังทุกขังอนัตตายอยู่รู้ด้วยอะไรก็รู้ด้วยธรรมธรรมก็คือรู้ในอริยสัจสี่รู้ว่าถ้ามีความอยากก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดแล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวายใจปรากฏขึ้นมาจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจถ้าไม่ต้องการที่จะให้ใจทุกข์กับเรื่องใดก็ต้องรู้ทัน ว่าสิ่งต่างๆนี่เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางเขาไปเขาจะดีเขาก็เรื่องของเขาเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งกับเขาเราให้รู้เฉยๆเท่านั้นพอจบนี่แหละพอพอรู้เฉยๆใจก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วกิจต่างๆที่ทํามาก็มาถึงตรงนี้เองก็เกิด มาถึงจุดว่าไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยๆถ้าทําแล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดทําแล้วมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนก็ต้องทําใหม่คอยแก้มันอยู่เรื่อยๆถ้ามันจะเปลี่ยนก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปมันจะเจริญก็ปล่อยมันเจริญไปมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปพอเราไม่ไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวมันก็มันก็สลายไปเองมันหายไป ที่มันเกิดขึ้นก็เพราเราไปยุ่งมันเองยุ่งด้วยความอยากือยุ่งด้วยความหลงอยากให้มันผ่องใสอยากให้มันดีพอมันไม่ดีก็พยายามที่จะทําให้มันดีก็ต้องทํามันไปยู่เรื่อยๆทาให้มันดีแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงมามันเสื่อมลงมาก็ต้องทํามันใหม่มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดทั้งทีสู้อยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยมันเสื่อมลงไปพอมันเสื่อมสุดขีดแล้วมันก็หายไปเอง ไม่ต้องไปยุมกับมันนี่คือเรื่องการนับปัญญาต้องรับในในสีที่นี้ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี่เป็นที่รับปัญญาเป็นที่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมีคนเคยถามว่าควรจะพิจารณาอะไรก่อนถ้าพูดตามหลัก ของขั้นของมรรคของผลแล้วมันก็ต้องพิจารณาร่างกายก่อนนะถ้ายังไม่ผ่านร่างกายจะไปพิจารณาจิตนี้ก็คิดว่าคงจะยากเหมือนกับยังไม่ได้จบชั้นมัธยมก็จะไปเข้าอุดมศึกษาเลยนี่มันก็คงจะยากต้องผ่านขั้นปถมขั้นมัธยมก่อนเราถึงค่อยเข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาต่อไปขั้นระดับเป็นยา ตโทเอต่อไปนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาถ้าเราไม่รู้จักเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์เลยเพราะเรื่องปัญญานี้มันลึกลับซับซ้อนกว่าเรื่องของสมาธิหลายหลายเท่าด้วยกันเรื่องของการเจริญสมาธินี้มันง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับปัญญาเพียงแต่มีสติจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้น จิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นเป็นสมาธิได้แต่การที่จะรักษาความสงบของสมาธิให้อยู่ต่อไปอย่างถาวรนี้ทำอย่างไรอันนี้ะต้องใช้ปัญญาแล้วปัญญานี้จะต้องพิจารณาอะไรอย่างไรถึงจะทำให้รักษาความสงบของสมาธิไว้ต่อไปได้อย่างถาวรเราต้อง ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายให้พิจารณาความทุกข์ของทางร่างกายทุกเขเวทนาให้พิจารณาอาสุภะซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีใครอยากจะพิจารณากันเลยชอบไปวัดที่สอนให้เห็นดวงดาวเห็นสวรรค์เห็นสวรสวรค์วิมานต่างต่า ง, างเห็นนางองนางฟ้าเทวดา เทวดดิบเทว ด, ดาอพอบอกให้มาพิจารณาความตายนี่ถอยเลยบอกให้พิจารณาความแก่ถอยให้พิจารณาความเจ็บท้ายได้ป่วยถอยให้พิจารณาอสุภะโอ้ไม่เอาใหญ่เลยกลัวกลัวอะไรของมีอยู่ในตัวเองแท้ๆอยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นกลัวเลยพอบอกให้มองเข้าไปเท่านั้นกลัวขึ้นมาเลยเราไม่มีอสุภะในตัวเราหร้อ ย, อยังไง มีใครไม่มีบ้างถ่ายมันออกมาทุกวันมันไม่ใช่เป็นอสุภะเลยไม่พิจารณากันไม่กลัวอะไรกับมันความกลัวนี่เป็นเ ล, เ ล, นเล่่ลรขนน่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่ห่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่ป่่่่่่่า่่่่่่่่่่ล่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ที่มันกําลังซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราบ้าง <c oughs> นี่แหละคืออํานาจของโมหะอาวิชามันครอบงำจิตใจจนกระทั่งทําให้เรานี้ไม่กล้ามองความจริงของเราเองอยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดมองไม่เห็นความแก่มองไม่เห็นความเจ็บมองไม่เห็นความตายมองไม่เห็นอสุภะกันก็ถึงเรียกว่างโง่เนี่ย <c oughs> ไม่มีปัญญา ถึงต้องมาเจริญปัญญากันถึงจะได้ฉลาดจะได้รู้ทันความจริงจะได้ไม่หลงจะได้ไม่อยากกับร่างกายอันนี้นี่แหละคือเรื่องของปัญญาต้องไปหาครูบาอาจารย์เท่านั้นถึงจะมีผู้ที่จะคอยสอนคอยสั่งคอยบังคับให้เราเจริญกันถ้าไม่มีปัญญานี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีปัญญานี้จะไม่มีใครสอนเรา นี่แหละหรือว่านอกจากหรือว่าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าโดยตรงอ่านสติปัฏฐานสูตรไปเนี่ยถ้าใครอ่านสติปัฏฐานสูตรแล้วเข้าใจผู้นั้นน่ะเรียกว่าฉลาดผู้นั้นน่ะคือมีปัญญาเพราะเป็นของจริงของของชัดเจนเลยเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยสอนการเจริญปัญญาแต่ให้อ่านกันกี่คนมาอ่านแล้วก็หายแวบหายแวบไปไม่เห็นมีใครมาเล่าให้ฟังเลยว่าได้โซดาแล้วได้ สกิดาคามีได้อนาคามีแล้วมอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่การพิจารณาร่างกายนี้พิจารณาใจแล้วพิจารณาธาตุสี่ธาตุสี่ก็คืออนัตตานี่เองร่างกายนี้มันเป็นดินน้ําลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเรามีตรงไหนบ้างในร่างกายนี้ลองไล่มันหาดูเลยตัวเราอยู่ที่ผมเลยอยู่ที่ขนเลยเวลาตัดผมแล้วตัวเราหายไปไหนหายไปกับผมหรือเปล่า ตัดผมแล้วตัวเราก็ยังอยู่ถอนขนไปแล้วตัวเราก็ยังอยู่ตัดเล็บแล้วมันก็ยังอยู่แต่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่กายหรือเปล่ามันไม่มีค้นไปในกายอาการสามสิบสองนี่ไม่มีตัวเราอยู่แม้แต่จุดเดียวมันอยู่ในใจเราไม่รู้ใจเพราะใจเป็นมนุษย์ต้องขนไม่มีรูปไม่มีร่างมองมันไม่เห็นก็เลยไปเหมาเอาว่าเราอยู่ที่ร่างกายไป เราต้องขับไล่ไล่มันแต่ละชิ้นแต่ละอันไปจนกระทั่งมั่นใจว่าขโมยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี้แล้วเหมือนกับเวลาเราจะไปจับขโมยนี้เราต้องหามันทุกจุดเลยมันจะขบดานซ่อนอยู่ตรงไหนเราต้องไปหามันทุกจุดถ้าเราคิดว่ามันซ่อนอยู่ในร่างกายก็เข้าไปหามันทุกทุกทุกสัดทุกส่วนของร่างกายเลยทุกอาการเลยหามันไปไล่มันไปสามสิบสองอาการเลยดูซิว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นไหม เมื่อหาจนครบแล้วก็จะได้าหายหลงใจหรู้ว่าไม่ต้องไปหาแล้วตัวตนไม่มีในร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทิ้งมันได้ไม่ต้องไปเสียดายนี่แหละวิธีปล่อยวางร่างกายที่จะไม่กลัวตายก็อย่างนี้แล้วเพราะรู้ว่าสิ่งที่มันตายมันไม่ใช่เราเราไปกลัวทาไมความหลงมันหลอกให้เราคิดว่ามันเป็นเราพอมันเป็นเราปั๊บนี่มันจะเป็นอะไรนี่เราวุ่นขึ้นมาทันที คือการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นความจริงตามความคิดของเราตอนนี้เราเห็นความจริงตามตามความรู้สึกนึกคิดของเราที่เป็นโมหะอวิชฌานี่เองเพราะไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขมันก็เลยสับสวนวุ่นวายหาความจริงไม่เจอหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอเนี่ที่เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเจริญเองไม่เป็นก็ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ให้ท่านสอนวิธีเจริญปัญญาสอนเราก็ต้องออกไปปฏิบัติไม่ใช่สอนแล้วก็จบสอนแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติไม่พิ จ, จารณา ไอ้ย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆกูาบาอาจารย์ถ้ารู้ว่ามาเรียนแบบนี้ไม่สอนดีกว่าสอนไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรพระกรรมฐานกูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานนี้ก่อนจะสอนใครนี้ท่านต้องทดสอบดูนักเรียนก่อนว่าตั้งใจเรียนจริงๆหรือเปล่าต้องมีการสอบเอ็นท่านก่อนก่อนที่จะรับมาเป็นลูกศิษย์ น, นี่ไม่ใช่ง่ายๆลองไป ฝากฝังตัวเองกับครูบาอาจารย์อยู่ท่านไม่จะท่านไม่จะต้อนรับทันทีทันใดหรอกท่านมีแต่จะขับจะไล่เราอยู่เรื่อยๆดูซิว่ามันรักกันจริงหรือเปล่าศรัทธาจริงหรือเปล่าถ้าศรัทธาจริงมันก็ต้องขับมาถ้าไล่ไปหนเดียวเปิดเลยก็จบก็รู้ว่ามันไม่เอาจริงงั้นถ้าอยากจะไปหาครูบาอาจารย์นี้ต้องจาไว้นะว่าต้องอดทน ท่านจะต้องทดสอบเราหลายรูปหลายแบบหลายลักษณะด้วยกันจนกว่าท่านจะมั่นใจว่าเชื่อฟังจริงๆเท่านั้นท่านถึงจะสอนนี่แหละคือเรื่องการรักษาความสงบที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายต้องรักษาด้วยปัญญาแต่ในเบื้องต้นต้องสร้างความสงบนี้ด้วยสติก่อนให้ได้สัมผัสกับ หนังตัวอย่างก่อนให้ได้สัมผัสกับสินค้าตัวอย่างก่อนพอได้ชิมลิ้มรสแล้วถูกใจแล้วทีนี้ก็จะมีศรัทธาที่จะเิญที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบนี้ให้อยู่อย่างถาวรต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามจำเนึกถึงคํานี้ไว้เสมอว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสมบนะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไปให้มันไปให้หมดเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่นั่นเองพอความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์จางหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกครั้งดังนั้นอย่าไปหลงกับความสุขต่างๆ ด้วยการล่ำลึกถึงคำสอนคำนี้ของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆว่านัตติสันติปาลังสุ ข, ขงังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบ ก, การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันทุปัญาราโสยะถามณิโชติ ภราสยาถาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทานสีลิธะนิจังวุธาปะจายโนจตารโรธรมมวะทานตตอายุวันโอสุขัง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 กลับนมรรการท่านพ่ออาจารย์คะ่ะเออท่านพ่ออาจารย์สอนบอกว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ถ้าเวลาที่เรานั่งภาวนาก็ให้นึกถึงพุทโธพุทโธคราวนี้เวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะอย่างเช่นเวลาเดินนะคะ่ะโยงก็จะสูงก้าขาออกไปเนี่ยมันจะเห็นดับดับดับดับดับับไปท่านพ่ออาจารย์คะ่ะแล้วก็ หรือว่าทำอย่างอื่นก็เหมือนกันนี่ค่ะคือเห็นอะไรอย่าไปสนใจไม่สนใจขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญสติสิ่งที่เราต้องการก็คือไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งให้เห็นเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอะไรเรื่องสงสัยเกิดความสงสัยขึ้นมาคือตอนนี้เราไม่ต้องการให้ใช้ความคิดเราต้องการหยุดความคิดโดยใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นที่ระงับความคิด ถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นเรากำลังแปลงฟันนี้เราถ้าคอยจดจ่ออยู่การแปลงฟันเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่จดจ่ออยู่เดี๋ยวเราแปลงไปแล้วเราก็ไปคิดนู่นคิดนี่ได้ถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสิ่งที่เราต้องการในเบื้องต้นก็คือสติคือให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นหนึ่งให้ใจเป็นหนึ่ง ถ้าปล่อยให้ใจคิดมันก็จะกระจายมันจะไม่รวมงั้นในเบื้องต้นนี้อย่าไปสนใจเรื่องความคิดว่าเป็นอะไรเรื่องปัญญงปัญญานะอะไรนั้นยังไม่ต้องอตอนนี้เอาสติให้ได้เพื่อที่จะทําใจให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนพอใจรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วเทนี้เราจะมีกําลังที่จะใช้ปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ ในเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปข้ามขั้นขั้นแรกนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเด็กก็คือหัดยืนให้ได้ก่อนยืนได้แล้วก็ค่อยหัดเดินเดินแล้วค่อยหัดวิ่งในขั้นต้นนี้ทำใจให้สงบให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็จะสั่งให้คิดไปในทางที่ถูกได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ใจมันก็จะคิดไปใ น, ในทางที่ผิดอยู่เรื่อย ท่านผูางแล้วเวลาที่สมุดโยมนึกถึงอะไรอย่างเช่นยโยมนึกถึงโบทแห่งหนึ่งที่วัดที่ไปนะท่านผู้ใจกลางก็จะเห็นบทนั้นร่าเรียบต้นไม้ใบหญ้ารอบโบทเรียบไปหมดเลยท่านผู้ใจกลางอย่าไปสนใ จ, ม, นใจมันไม่ใช่เรื่องสําคัญคอะไรอ่ามัน<ส>ชอบเห็นแบบนี้ก็ดึงมันกลับมาอย่าไปเห็นไงนักภาวนาเนี่ยนนมักจะไปดองติดอยู่กับภาพบางเสียงบางอะไรบ้างอันนี้เป็นกับดักทั้งนั้นเป็นหนุมพราง จะทําให้เราไปไม่ถึงจุดที่เป็นเรียกว่าเอกขกตาลรวมจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาจะจิตจะรวมเป็นอุเบกขาได้ต้องอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวถ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิก็เลือกเอาถ้าเราดูใช้ร่างกายเป็นที่จจริญสติแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเพราะ เวลานั่งเฉยๆไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วนอกจากลมหายใจก็ดูที่ลมอย่างเดียวแต่อย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกแล้วอย่าไปบังคับลมให้ละเอียดหรือให้หยาบให้สั้นหรือให้ยาวปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของลมให้รู้เฉยๆให้รู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเป้าหมายของการดูลมเพื่อหยุดความคิดเพื่อดึงความดึงใจให้อยู่กับลมไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าจิตอยู่กับดมอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปถึงใช้ปัญญาได้เราจะสั่งให้คิดไปในทางปัญญาได้เช่นให้คิดถึงความตายได้คิดถึงความแก่ได้คิดถึงความเจ็บได้คิดถึงอสุภัสได้ถ้าไม่มีสมาธินี้กิเลสมันมีกําลังมากมันจะไม่ยอมให้เราคิด งงกรา บ, บคุณกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อยากเรียนถามประมาณสองสามข้อครับข้ อ, ข อ, อแรกครับเอผมอาจจะเป็นคําถามโงๆครับคําว่าพ o น n พุทโธเนี่ยจะนึกคําว่าพพ r น a p h อุถอทหารสละโอทอธงหรือว่านึกถึงพพุทธ ร, รูปหรืออะไรสักอย่างครับเพราะว่าถ้าพุทโธเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมา คือปกติก็ให้เราเลิกถึงคําว่าพุทโธไปแต่ถ้าเราอยากจะให้มันพิสดารก็แล้วแต่จะพอสระอุทธรสระโอทอร <c oughs> ก็ได้ขอให้มันมีอะไรทําแล้วมันไม่ไปคิดอย่างนั้นนันก็ไดอ้อย่างเช่นเรานึกชื่อใครยังไม่เรียกปุ๊บเนีย่ยก็ต้องเห็นหน้าคนนั้นเข้ามาเลย เ, เป็นความจําใช่ไหมครับแทนเวลาภาพุทโธถ้านึกถึงหน้า <c oughs> พระพุทธเจ้า ก, ก็ได้แต่เราเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <N u> หน้าที่เาเห็นพระพุทธเจ้าแบบ <G ül> เห็นพุทธรูปครับผม เ, <laughs> <ś led> เป็นตัวแทนถ้าถ้าเห็นแล้วไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งก็ได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเห็นแล้วไปวิาพากษ์วิจารว่าพระพุทธรูปนี้จะโอกยาวเกินไปให้ให้ให้ให้รู้เฉยเฉยครับผมให้ให้มีอะไรผูกใจไว้เกาะใจ <c oughs> ให้ใ <c oughs> จมีอะไรเกาะเราภาวนะพุทโธพุทโธก็นึกถึงอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้อย่างเดียวอักษรได้ครับผมได้ครับอ่คำถามที่สองครับ เนื่องจากอธิการโน้นนะครับผมมาสถานที่นี้นะครับเป็นครั้งแรกรู้สึกปาดปลื้มใจลึกๆนะครแล้วผมก็เดินขึ้นไปข้างบนไปเห็นลานเดินจงกรมนะครับอเอ๊คือท่านอยู่ป่ะเราอยากจะลองดูนะครับผมก็วางกระเป๋าล้วผมก็เดินจงกรมฮนะเดินไปเดินมาพอเราเดินเสร็จปุ๊บอุย้ยอันนี้เป็นของพระนี่ว่าเรามาเดินอย่างนี้เนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันจะบาปมากไหมเนี่ยเรามาทําอย่างนี้ครับ ผมจะต้องทํำยังไงครับคือไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าควรจะรู้จักกาลเทศะคือถ้าเป็นของที่มีเจ้าของก่อนที่เราจะไปใช้เราก็ควรจะขออนุญาตจากเจ้าของก่อนครับแล้วตอนนี้ผมจะต้องทำยังไงครับก็ทําความเข้าใจว่าอย่าไปทําอีกก็แล้วกันครับผมติดติดใจมาหลายวันแล้วครับแล้วก็อันดับที่สามก็คือว่า คือถ้าไม่ใช่วันอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอผมว่างหรือผมหยุดเนี่ยผมแค่แวะมาแล้วผมอยากมานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานหรืออะไรได้ไหมครับคงจะไม่ได้เราก็เป็นที่อยู่ของพระครับผมแล้วไม่ต้องการให้คนมาแบบไม่มีเวล่มาที่อนุญาตก็เพราะว่ามาเป็นเวลากันเช่นสองถึงสี่โมงอย่างนี้มาได้แต่ถ้าอยากจะมาตามเวลาที่เราต้องการนี้บางทีมันจะไปรบกวน ความสงบของพระคือถ้ามาคนเดียวมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่พอคุณทำได้คนเลยก็ทำได้เดี๋ยวมากันเป็นฝูงพอใจไหมก็จะคือเป็นที่ที่ร่มเย็นที่ไม่อยากจะบอกทีนี้คือความรู้สึกต่อมาคือว่าเออเราอยู่ไกลนะเรามองมาเห็นภูเขานี้บอกโอ้เราคิดถึงเนาะวันอาทิตย์เราได้ไปฟังธรรมเราไปนั่งตรงนั้นแม้แต่ แค่ชั่วโมงเดียวหรือแค่เสี่ยวนาทีเดียวก็มีความสุขแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเสี้นลมหายใจปุ๊บเนี่ยจะมาเป็นผีเฝ้านี่นี้วะคือความรูสิกติดต่อขนาดนี้จัไม่หรอกมันอยู่ที่ว่าเราอ่ามันไม่มีอะไรที่เราอยากจะได้อยู่แล้วมันมันเป็นความสงบที่เราต้องการอย่างความสงบนี้มัน เป็นสวรรค์อยู่แล้วนั้นไม่ต้องกลัวนะคร<ม>ว่าถ้าเราติดที่สงบเวลาตายไปใจมันไม่ได้มาที่นี่หรอกเพราะมันไม่มีแต่มันจะไปที่สงบนะที่สงบก็คือสวรรค์นั่นเองขอบพระคุณ <c oughs> ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง f a c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับ คำถามแรกจากคุณในายานานะครับข้อที่หนึ่งเนื่องจากเราภาวนาในทุกขณะจิตไม่ว่าจะทำสิ่งใดในแต่ละวันยามนอนก็ภาวนาตอนตื่นขึ้นมาจิตข้อภาวนาเองอัตโนมัติจนทุกวันนี้ยามนอนเหมือนเป็นคนนอนไม่หลับรู้สึกตื่นอยู่ตลอดเวลาตีสามตีสี่ก็จะอยากลุกขึ้นมาเดินมานั่งแรกๆก็รู้สึก สสดชื่นสบายตัวแต่ณตอนนี้เหมือนร่างกายจะไม่ไหวอ่อนแอง่ายไม่สบายตัวไม่สบายง่ายขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ด้วยค่ะนอนไม่หลับนลใช่ไหมเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอจากอาการที่จิตตื่นครับพระาอาจารย์อ๋อไม่เกี่ยวกันหรอกจิตเตงก็เรื่องของจิตร่างกายเวลามันจะหลับมันก็หลับได้ขอให้เราเวลาจะหลับเราก็ ดูลมหายใจไปที่นอนไม่หลับเพราะมันฟุ้งมากกว่ามันคิดปรุงแต่งถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งแล้วยพอศีตะแตะหมอนมันไปแล้วข้อที่สองอยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องกาลามาสตรด้วยค่ะก็ อ, อันนี้ต้องขอขอขอผ่าน ว่าให้ไปหาอาจารย์กูเกิลจะดีกว่านั่นมีรายละเอียดมากกว่าเราเดีย๋ยวนี้สามารถเข้าไปค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วคำถามข้อต่อไปจากคุณพัดนะครับข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเกิดชาตินี้ชาตินั้นอะไรที่ไปเกิดคือสิ่งที่เกิดนั้นก็คือร่างกายเช่นเรามา ได้ร่างกายอันใหม่เราก็เรียกว่าเรามาเกิดใหม่แต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้จะเรียกว่ามาเกิดก็ไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาอาศัยสิ่งที่ได้เกิดกือได้ร่างกายนี่เรียกว่าการมาเกิดส่วนการที่ไปเป็นเทพเป็นเป็นอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องของอคุณสมบัติของใจในขณะนั้น ถ้าใจมีคุณสมบัติเป็นเทพใจก็เป็นเทพคือใจนี้เป็นร่างกายทิพย์ใจนี้ไม่ใช่เป็นกายอย่างเหมือนร่างกายใจนี้เวลามีคุณสมบัติเป็นเทพแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทพอยู่ถ้าใจมีคุณสมบัติเป็นพรหมเช่นเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้ใจก็เป็นเป็นพรหมไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วยังไม่ได้ร่างกายอันใหม่ ายก็อยู่ในในพของพรมไปแล้วก็จะแล้วก็จะเลื่อนลงมาจากพรมลงมาสู่เทพพอจากเทพแล้วก็จะมาหาร่างกายอันใหม่เป็นที่อยู่อาศัยต่อไป น, นี่คือเรื่องของการเกิดคือการเปลี่ยนบ้านพูดง่ายๆพี่การเปลี่ยนที่อยู่เช่นวันนี้เดือนนี้เราอยู่พัทยาเดือนหน้าเราย้ายไปอยู่กรุงเทพเดือนต่อไปเราย้ายไปเชียงใหม่เนี่ย แผู้ที่ย้ายก็ยังเป็นคนเดิมอยู่จิตนี้เป็นตัวเดิมอยู่เพียงแต่ว่าสถานภาพของจิตเปลี่ยนไปพอจิตมีคุณธรรมสูงขึ้นมีบุญสูงขึ้นก็ย้ายที่อยู่ที่ที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นไปถ้าใจมีคุณธรรมต่ําก็ย้ายลงมาสู่ที่อยู่ที่ต่ํานี่คือเรื่องของใจที่เรียกว่าขึ้นขึ้ น, นลงลงตามพบตามพบชาติต่างๆ ภพชาพก็คือสถานภาพคือที่อยู่อาศัยของจิตในแต่ละขณะนั่นเองขณะนี้จิตอยู่ที่ร่างกายแต่บางทีจิตนี้อาจจะสูงกว่าร่างกายก็ได้ถ้ามีทมทานรักษาศีหน้าได้จิตก็เป็นเทพถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้จิตก็เป็นพรหมถ้าจิตมีปัญญามองเห็นอริยสัจสีมองเห็นตายรัก ในส่วนของร่างกายก็เป็นถึงพระอนาคามีได้ถึงพระโสดาบันได้ถ้าเห็นอสุภะนี้ก็จะเห็นก็จะอยู่ในระดับของพระสกิดาขามีพระอนาคามีได้นี่คือระดับของจิตคุณสมบัติของจิตที่เกิดขึ้นจากการาาการกระทําของจิตเองถ้าทำดีจิตก็จะไปสูงถ้าทำไม่ดีจิตก็จะลงต่ำ ข้อที่สองสวรรค์หรือนรกเป็นเพียงสิ่งสมมุติหรืออุบายธรรมเท่านั้นใช่หรือไม่มีอยู่จริงไหมก็เนี่ยคำตอบที่เมื่อกี้ก็พูดแล้วเงอยู่ที่คุณสมบัติของจิตเนี่ยถ้าจิตเป็นมีศีลห้าทำทานไม่ไมตันีไม่ขี้เหนียวมีความรักที่จะชอบทําทานรักที่จะรักษาศีลนี่ก็เป็นเทวดาถ้ารักจะภาวนานั่งสมาธิก็เป็นพรหม ถ้ารักขโมยชอบขโมยข้าวของเขาก็ไปเป็นเดรัจฉานค่ะ yeah. yeah. ข้อที่สามในบทสวดมนต์ทำวัดเช้ามีประโยคหนึ่งที่กล่าวว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาติหมายถึงทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตนแต่เหตุใดผู้รู้บางท่านจึงกล่าวว่าจิตเที่ยง คืไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นะปล่อยเขาพูดไปเดีกยว่าขี้เกียจมาตามแก้คำถามข้อต่อไปจากคุณมดนะครับข้อที่หนึ่งการแผ่เมตตาให้กับคนที่ทำความเดือดร้อนให้เราและตั้งตนเป็นศัตรูกับเราด้วยความโกรธแค้นเขาจะได้รับไหมจิตของเราให้อภัย และสงสารเขาแต่ก็ยังมีความกังวลเพราะเขายังทำเรื่องเดือดร้อนให้คือถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขา<ๆ>เขาก็ต้องได้รับได้รับอิทธิพลจากการที่เราไม่ไปทำร้ายเขาเช่นเขามาทำร้ายเราแล้วเราเฉยเราไม่ไปดา่าไม่ไปไปทุกตีเขาเขาก็จะได้รับอนิสงส์จากการแผ่เมตตาของเราอยู่แล้ว เพราะเขาจะไม่เจ็บตัวนะไม่เปทุบตีไปทำร้ายเขาส่วนตัวเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเรื่องของการแผ่เมตตาของเรามันอยู่ที่การเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เห็นความผิดของตนหรือไม่เห็นโทษของการที่กระทาที่ไม่ดีของตนหรือไม่หรือมีผู้ที่ชี้บอกให้เห็นนั่นหรือไม่เช่นองคุลิมาน พยายามที่จะตามฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์ไม่สามารถตามไล่ทันจนในที่สุดองคุลิมาลก็เลยต้องน้องตะโกนไปว่าขอให้ท่านหยุดเถิดอพระพเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดพอพระพเจ้าผู้หญ่าง้ก็ ง, งงว่าท่านเขาวิ่งแทบเป็นแทบตา ย, ยาวิ่งตามไม่ทนันแล้วจะว่าหยุดได้อย่างไรอพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพอขึ้นม า, ม, ามีคนชี้ให้เห็นแสงสว่างปั๊บเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เปลี่ยนได้นั้นก็อยู่ที่เราว่าเรามีธรรมะชี้บอกเขาได้หรือเปล่าถ้าเราชี้บอกเขาได้แล้วเขาเข้าใจเขาก็จะเปลี่ยนได้ถ้าเขาไม่เข้าใจก็เขาก็ยังอาจจะเป็นเหมือนเดิมอยู่ต่อไปอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องของกรรมเขาไป ข้อที่สองนะครับภาวนาเห็นความทุกข์ในใจแต่ปล่อยวางไม่ได้ทันทีใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันแต่ไม่นานเรื่องเดิมๆก็กลับเข้ามาจิตรับรู้และเห็นความเกลียดที่เรายังนึกถึงเรื่องเดิมจะปฏิบัติอย่างไรดีพยายามมองดูซื่ อ, อแต่มักไปตะคุบอารมณ์ถ้าจะพูดว่าทำอย่างไรก็ควรจะทาตามขั้นตอน คือถ้ายังไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีถ้ามีสติแล้วไม่มีสมาธิก็พยายามนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนถ้าจิตรวมเป็นสมาธิได้แล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นทุกข์ถ้าไปยุ่งกับเขาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะดับความทุกข์ภายในใจได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณเบิร์ตนะครับข้อที่หนึ่งคนที่มีนิสัยพูดมากกับพูดน้อยในการปฏิบัติธรรมใครจะได้เปรียบมากกว่ากันคือคนพูดมา ก, กแสดงว่าคิดปรุงแต่งมากจิตก็จะฟุ้งจะสงบยากกว่าคนที่พูดน้อ ย, อยงั้นถ้าพูดทางใ น, ในทางปฏิบัติเพื่อทําจิตให้สงบนี้ คนไม่พูดเลยนี่จะดีกว่าแต่การไม่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตไม่ฟุ้งอาจจะไม่ออกมาทางวาจาก็ได้แต่ฟุ้งอยู่ข้างในพูดคุยกับตัวเองอยู่ตามลำพังก็ได้ดังนั้นการที่เราจะดูเรื่องของคนพูดไม่พูดนี่จะว่าเกิดจากจิตที่ที่คิดมากแล้วไม่คิดมากบางทีก็พูดไม่ได้แต่ที่แน่นอนก็คือถ้าพูดมากมันก็ต้องคิดมากแต่คนที่พูดน้อยอาจจะคิดมากก็ได้เพียงแต่ไม่พูด ข้อที่สองหลังจากรับประทานอาหารทําธุระต่างๆเสร็จแล้วในตอนเช้าก็จะไปเดินจงกรมไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะรู้สึกน่วงมีอาการเหมือนสลึมสลือแต่เราฝืนว่าต้องเดินต่อไปจะหยุดไม่ได้อย่างนี้เป็นการฝึกฝนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกแล้วคนจะฝืนด้วย เดินต่อไปยังกระทั่งหายง่วงถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมหลไปตามความง่วงเราพยายามบังคับให้เดินต่อไปเดี๋ยวจิตมันก็จะพลิกจากความง่วงกลับมาตื่นได้ถ้าเราชนะความง่วงได้แล้วเราก็ชนะอุปสรรคไปขั้นหนึ่งแล้วความง่วงนี้ก็เป็นปัญหาที่คอยจะขัดขวางการเจริญก้าวหน้าในการบมเพ็ญจิตธรรมนา ซึ่งความง่วงส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานเสร็จใหม่ๆมันจะง่วงหนังหนังหนังท้องตึงหนังตาย่อนแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องรับประทานก็ต้องยอมยอมรับสภาพกับความง่วงแล้วแก้ด้วยการเดินจงกรมพยายามเดินไปแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลารับประทานก็ควรจะรับประทานพอประมาณ อย่ารับประทานตามความอยากรับประทานตามความต้องการของร่างกายพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอถ้ารับประทานอย่างนี้ปัญหาเรื่องของความง่วงนอนก็จะมีไม่มากหรือว่าถ้ามันยังไม่สามารถที่จะบังคับห้ามจิตใจได้เวลารับประทานแล้วมันจะเอาเต็มที่อย่างนี้ก็ต้องลองใช้การไม่รับประทานบ้าง เพราะว่าถ้ารับประทานแล้วหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปรับประทานมันอดมันทักวันอย่างนี้เวลาอดอาหารมันก็จะทำให้ร่างกายเบาไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิได้เลยข้อที่สามพอเดินจงกรมไปแล้วจิตเริ่มคิดเกิดเป็นภาพในใจเราก็คิดไปทางการกินอาหารกินลงไปแล้วผ่านลิ้นลงไปที่หลอดลม ลงไปที่กระเพาะอาหารลงไปจนถึงทวารหนักแล้วออกมาเป็นอุจจาระแล้วเอาอุจจาระมากินอีกก็รู้สึกในใจเริ่มปล่อยวางการกินคิดว่าจะกินอาหารอร่อยหรืออาหารไม่อร่อยก็ได้เพียง <c oughs> เพื่อประทางชีวิตเท่า น, นั้นอย่างนี้เป็นการคิดด้านปัญญาที่ถูกต้องหรือไม่ครับควรจะคิดตอนที่ก่อนจะกินไม่ใช่คิดตอนหลังกินแล้ว <c oughs> แต่ต้องซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนแต่พอข้างหน้าเวลาจะกินให้ให้คิดก่อนกินท่านได้ให้พิจารณาปฏิกูละาปฏิกูละสัญญาเนี่ยของอาหารคำถามข้อต่อไปจากคุณปิยะนะครับพรหมจารย์ของพระก็มีพรหมจารย์ของคารวะที่ถือศีลห้าก็มีพรหมจารย์ของคารวะในที่นี้กล่าวคือ ไม่ได้สมาทานศีลแปดเพียงแต่ถือศีลห้าแต่ไม่ได้เสพกามเลยนับตั้งแต่ตั้งใจมาข้อนี้จัดว่าเป็นเนคขมมะบารมีหรือไม่หมายถึงศีลข้อสามรักษาเป็นอพระมจจริยาหรือใช่ครับอแต่ศีลข้ออื่นยังยังไม่ใช่ไหมก็คือรักเอ่อถือศีลห้าแต่ว่าข้ อ, ข, อข้อกามเมีไม่ยุ่งเลยก็เนคขมมะเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าดูหนังฟังเพลงได้ยังไป กินไปดื่มไปเที่ยวไปเฮฮาปาร์ตี้ได้อยู่อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเนคข ม, มะคือต้องปิดทั้งหมดเลยทวารทั้งห้าไม่เสียความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เพียงแต่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเท่านั้นต้องไม่เสียแม้กระทั่งอาหารไม่ไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากไม่ได้รับประทานเพื่อความสุข ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวเตะตามสถานที่ต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ orn, ที่วิจิตรพิสดารไม่เสริมสวยด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆเ่านี้อันนี้ก็อยู่ในเรื่องในต่อของเนคขมะทั้งนั้นที่จะต้องปฏิบัติถึงจะเรียกว่าเนคขมะจริงถ้าเพียงแต่รักษาศีลข้อสได้ข้อเดียวนี้ก็ถือว่ายังได้ได้ส่วนหนึ่ง้นะยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ คำถามข้อต่อไปจากคุณนัทวัฒน์นะครับมีคนมาบอกบุญเรื่องการสร้างพระประธานถวายวัดแล้วเขาออกเงินให้เราก่อนคือเอาเงินของเขาทำบุญให้เราไปก่อนแล้วเราค่อยโอนเงินไปให้เขาที่หลังจากทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ไหมครับในกรณีนี้และถ้าเราโอนเงินเราไปให้เขาก่อนที่จะทำบุญผลบุญจะต่างกันไหมเหมือนกันเนี่ยขอให้เรา เสียเงินส่วนนี้ไปก็แล้วกันเราปล่อยวางเรายกให้คนอื่นไปจะก่อนหรือจะหลังก็ไม่ไม่สำคัญอะไรสำคัญตอนที่ปล่อยตอนที่โอนถ้ายังไม่โอนร้วปากไว้นี่ยังไม่ได้บุญ <S 1> <S 1> คำถามข้อต่อไปจากคุณนันเลศนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีละสังโยชน์ข้อที่สี่กับห้าให้หน่อยครับ ตอนนี้ผมปฏิบัติโดยมองทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมีสติแล้วมองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของของเร า, บ, ารบังคับควบคุมไม่ได้จิตนี้ก็ปล่อยวางกับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆแต่ความคิดแต่ความติดใจในกรรมมคุณยังมีอยู่แต่เบาบางเพราะเจริญสติเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแต่ยังตัดให้ขาดไม่ได้สักทีปฏิบัติอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วครับ วิธีปฏิบัติผมใช้การพิจารณาเกษาโลมานะขาทันตาตะโจพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นของใครมีวันแตกดับพิจารณาว่ามันเป็นของสกรปรกต้องคอยทําความสะอาดอยู่เสมอแต่จิตนี้ยังตัดไม่ได้เสียทีจะไปหาว่าจิตนี้มันไปหลงร่างกายที่ไหนก็หาไม่เจอครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีปฏิบัติ ก็ต้องไปดูซากศพนะโดยเฉพาะของคนที่เราคิดว่าสวยว่างามเช่นเวลาดาราภาพยนตร์คนไหนตายก็ไปขอดูศพเ้าที่โรงพยาบาลดูอย่างที่ในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าก็ให้พระรูปหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องเรื่องกามอารมณ์นี้พอดีมีนางโสเพนีมีชื่อเสียงที่มีความสวยงามได้ตายไปพระเจ้าก็เลยบอกให้ไปดูศพของนางโสเพณีคนนี้ พอท่านไปดูไปพิจารณาปั๊บจิตท่านก็หลุดพน้น่อยต้องดูสร้างศพต้องดูความไม่สวยงามของร่างกายจริงๆบางทีดูผมขนเล็บฟันนี้มันยังไม่พออย่างน้อยก็ต้องผ่าอกผ่าเข้าไปข้างในมองให้เห็นตับไตไส้พุงมองให้เห็นกระโหลกศีสษะโครงกระดูกเห็นอะไรต่างๆเนี้ยลองไปดูที่ก็ผ่าศพที่ตามโรงพยาบาลดูก็ได้แล้วนึกถึงภาพของคนที่เราหลงรักใคร ว่าเวลาเวลาผ่าเขาออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันต้องไปดูของจริงบ้างไปดูเขาผ่าศพดูตามโรงพยาบาลต่างๆในช่วงเข้าพรรษาที่วัดนีนทุกปีก็จะจัดให้พระนวักกะพระที่บวชใหม่ไปดูการผ่าศพเพื่อจะได้ทำลายการอารมณ์เพราะมันเป็นตัวที่จะมาทำลายผ้าเหลืองนั้นต้องเอายาแรง เพื่จะได้อยู่ได้ตลอดรอดฝังคําถามข้อต่อไปจากคุณปิยะต่อเนื่องมาจากข้อข้อเรื่องเนคข ม, มะบาลมีนะครับพิสุประพฤติพมจรันข้อนี้เป็นเนคข ม, มะบารมีหรือไม่ใช่การการบวชนี่ก็เรียกว่าเป็นการจเจริญเนคข ม, มะบาลมีคือการออกจากกามสุขการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ศีลของพระ227ข้อนี้ก็มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พระไปเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่องข้อที่สองนะครับผมเป็นคารวาถือศีลห้ามีปกติมิได้เสพกรามมีความรู้สึกว่าเบาใจไม่ ด, ด, ดิ้นเหมือนก่อนข้อนี้จัดว่าเป็นเนกขมมะบารมีหรือไม่ต้องศีลแปดถึงจะเรียกว่าเนกขมมะบารมีศีลห้า น, นี่ยังไม่ใช่ ข้อที่สข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเนคขมมะบารมีอันบุคคลจเจริญให้มากแล้วย่อมติดเป็นนิสัยข้ามพบข้ามชาติได้หรือไม่อยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยถ้าทํามากมันก็จะติดไปได้มากถ้าทําน้อยมันก็จะติดไปได้น้อยแต่มันมีโอกาสเสื่อมได้ถ้าในอนาคตไม่ทําต่อแต่ถ้าทําต่ออยู่เรื่อยๆมันก็ยังจะคงอยู่ ถ้าจะให้มันเป็นถาวรก็ต้องต้องทำด้วยปัญญาต้องเห็นโทษของกต้องเห็นโทษของการเสพกามถ้าเห็นโทษว่าเป็นทุกข์เห็นว่ากามสุขเป็นทุกข์เนี่ยก็จะไม่เสพกามอีกต่อไปก็จะเป็นเนกธรรมะอย่างถาวรจะติดไปกับทุกภพทุกชาติเช่นพระอนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจะไม่ต้องการร่างกายเพราะผู้ที่ต้องการร่างกายก็คื อ, อยังต้องการเสพกามอยู่นั่นเอง พานาคาเมนี่ท่านพิจารณาร่างกายจนเห็นชัดเจนตลอดเวลาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหน้าเกลียดหน้ากลัวจนกระทั่งไม่ไม่มีการอารมณ์หนงเหลืออยู่ในใจอย่างนี้ถึงจะติดไปอย่างถาวรติดอย่างไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเห็นร่างกายทีไรก็ไม่มีการอารมณ์เห็นเป็นอสุภะตลอดเวลา บทแรกใช่ไหมคำถา ม, ม, ถ, ามถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพ จ, พจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ